การหวงเล็บ 1. ภิกษุน์ทำน้ำอสิจิให้เคลื่อนเมื่อเกิดความกำหนัดวงเล็บ 2. ภงพิส <stationed> ูจน์ทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเมื่อปวดอุจจาระวงเล็บ3ภิกษุน์ทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเมื่อปวดปัสสาวะวงเล็บ 4. ภ่พิสูจน์ทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเมื่อต้องลมวงเล็บ 5. ภิกษุน์ทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเมื่อถูกบุ้งขน